จะมีการทอดกระถินกันคนก็คงจะมากันเป็นร้อยนะสองร้อยสามร้อยหรืออาจจะถึงสี่ร้อยจะาเป็นงานใหญ่ประจำปีเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะโรงทานก็จะมาตั้งกันนะหลายเจ้า บรรยากาศคงจะคึอคักมันึกย้อนไปถึงเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วนี่บรรยากาศมันแตกต่างกันมากเลยนะกระถินเดี๋ยวนี้หรือกับกระถินเมื่อสมัยก่อนจำได้ว่าเมื่อปีสองหนะซึ่งเป็นภาษาแรกที่จะมามาอยู่ เจ้าภาพกะินก็มาทอดกะถินแค่สองคนเขาไม่เคยมาวัดนี้ด้วยเขาก็รู้จักหลวงพ่อก็ไม่ถึงกบดีนักนะแต่ว่าเขากับแม่อยากจะมาทอดกะินก็อยากจะมาทอดวัดชนบท ตอนมาทอดกฐินก็ออกตัวกับหลวงพ่อว่าเงินที่จะมาถวายไม่มากนะหลวงพ่อจะจะรับได้ไหมนะที่พูดที่ถามเช่นนี้ก็เพราะว่ากฐินเนี่ยแต่ละวันรับได้แค่ครั้งเดียวถ้าสมมุติว่าเรารับกฐินของเจ้าภาพคนนี้แล้ว ก็จะไปรับกระถิ่นของเจ้าภาพคนอื่นไม่ได้โยมที่มีเงินน้อยเนี่ยเขาก็เกรงใจนะถ้าเกิดว่าวัดเรารับของเขาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการตัดโอกาสที่จะได้รับกระถิ่นจากเจ้าภาพที่ร่ำรวยกว่าแต่หลวงพ่อท่านไม่มีความคิดแบบนี้ใครอยากจะมาถวายก็มาเลย มาก่อนได้ก่อนนะเรื่องเงินจำนวนเงินนั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่ที่จริงตอนนั้นก็นอกจากเจ้าภาพคนนี้แล้วก็คงไม่มีใครจะมาทอดที่นี่เพราะว่าบางปีนี่ไม่มีเจ้าภาพเลยนะบางปีจำได้ว่าชาวบ้านกุดงงกับชาวบ้านใหมก่ก็อาสากันเป็นเจ้าภาพทอดกถิน ที่นี่เพื่อไม่ให้วัดเนี่ยขาดกระถิ้วก็มีธรรมเนียมนะว่าเนี่ยจะต้องให้วัดของตัวเนี่ยมีกระถินถ้าบางแห่งก็ก็ไปหาเจ้าภาพมาหรือถ้าไม่มีเจ้าภาพชาวบ้านก็รับเป็นเจ้าภาพเองก็มีปีนึงนะสุกโตไม่มีคนที่ไหนเขาจะมาขอเป็นเจ้าภาพชาวบ้านก็เลยร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพเสียเอง แต่ปีสองหนี่ก็มี2อมีอยู่รายหนึ่งมากันสองคนไม่มีรถส่วนตัวนะก็นั่งรถทัวร์มาแล้วก็นั่งรถโดยสารก็ทุลักทุเลพอสมควรเพราะช่วงนั้นมันหน้าฝนสมัยนั้นทางทางก็ไม่มีลาดยางเท ป, ปูนหลุมบ่อเยอะมากจากแก้งคร้อมาถึงสุกทโตก็ใช้เวลาสองชั่วโมงรถใช้เวลาเดินทางประมาณ15กิโต่อชั่วโมง มาถึงก็ค่ำแล้วก็มาพักที่สาระไก่สาระไก่ตอนนั้นนะก็เป็นสาระอเนกประสงค์ไม่ใช่รูปร่างดีแบบนี้นะเป็นสาระเล็กๆเก่าๆใช้ไม้ปีกมาทำนะมาปูเป็นพื้นก็มีหลายตอนด้วยกันเป็นสาระที่ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชั้น สวดมนต์ทำวัดเย็นเก็บของเก็บพัสดุเครื่องนอนทำครัวก็ทำตรงนั้นรวมทั้งนอนด้วยนะแขกมาก็ต้องนอนสาระไก่เพราะไม่มีกุฏิเหลือขนาดอาตมามาจมาาลแรกนี้ไม่มีกุฏิเลยนะต้องมานอนหอตไตรซึ่งแต่ก่อนอยู่ข้างบนอยู่บนเขาบางรูป ก, ก็ต้องทาเพิงเอง ดูู่าตาต้นไม้นะตายต้นไม้ต้นใสเนี่ยใกล้ใกล้กับหอใจจุดหอใจแต่ก่อนจำได้ว่าเมื่อมาพักแล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านเนะี่ยซึ่งตอนหลังได้เป็นอบตอในยุคอบตเนะี่ยคนที่เพิ่งคนที่เพิ่งคนล่าสุดเนี่ยนะที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปเมื่อสองสามปีก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็มามาคุ้มกันนะ รู้สึกจะอาปืนมาด้วยมั้งปืนม า, ม, ามาคุ้มกันนะมาเป็นยามผู้ง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นที่นี่ก็มันก็ไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่ที่จริงก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าไม่เคยมีการจี้ปนในเล็กทีมีแต่ขโมยอยู่มาหลายปีไม่มีแต่ชาวบ้านก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องมารักษาความปลอดภัยให้กับ อคันตุกะที่มสามารถจากแดงไกลนะทอกระถินก็ง่ายๆนะไดเ้เงินมาสองหมืนบาทแล้วก็พากระถินหนึ่งไตรแล้วก็บาสเตนเล็ตอีกหนึ่งลูกนับเป็นบาสเตนเล็ตลูกที่สองของวัดนี้นะลูกแรกนี่คือหลวงพ่อของหลวงพ่อลูกที่สองสมัยนั้นพระนี่ก็ใช้บาทเหล็กกัน อาตอมาก็ใช้บาทเหล็กไปจนกระทั่งแผ่นสาธิก้าถึงได้ถึงมีโชคนะได้ได้บาดสเตนเลสเป็นของใช้แล้วนะมือ2จากภาคที่เขาศึกไปประเภทที่ว่ามีบาดสเตนเลสใช้กันทั่วไปแบบสมัยนี้อันนี้สมัยโน้ต น, น, นึกไม่ถึงนะมันเพราะเขาเป็นของหายากเป็นของมีราคาแพงก็ใช้บาทเหล็กกันต่อเมื่อมีทอดผ้ป่าหรือมีท่ากระถิ่ น, นถึงยอมีโอกาสได้ใช้บาดสเตนเลส แต่เจ้าภาพบางเจ้าภาพเ้าก็เขาก็ไม่ได้หาบัสเตลเลต์มาให้นะเขาก็เอาบาทเหล็กมาให้อันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยการเท่ากระถินของที่นี่ปีสองเจ็ดก็ก็ดูมีคนมากหน่อยนะแต่บางปีก็อย่างที่บอกนะไม่มีเจ้าภาพจากไหนก็ชาวบ้านนั่นแหละกุดงง บ้านใหม่พสมัยก่อนนี่วัดเ่านี่สมัยก่อนกุฎงงไม่มีวัดนะกุดงงไม่มีวัดก็ประมาณปีสามสองนั่นแหละก่อนนั้นชาวบ้านกุดงงก็ต้องมาทำบุญที่นี่นะเพราะนั้นเขาก็อาศัยเป็นเจ้าภาพในช่วงนั้นนะเพราะยังไม่มีวัดกุดงงหรือว่าวัดอุทัยธรรมารามนะที่บ้านกุฎงง อันนี้คือสภาพที่นึกออกถ้านึกออกคงจะเห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างกับปัจจุบันมากนะปัจจุบันการคนนี้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินนี่มีเยอะนะเนี่ยตอนนี้มีเจ้าภาพแล้วสำหรับปีหน้าสองเจ้านะคือไม่ต้องไม่ต้องหาเลยแล้วก็ไม่เคยหาด้วยนะแต่ว่าก็จะมีคนมาอ่า ขอเป็นเจ้าภาพกรถินได้ง่ายมากนะพอถึงปีหน้าคงจะมีอีกหลายเจ้าแต่วัดเราก็เนื่องจากเป็นกระินสามัคคีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไปรอไกลนะปีหน้าก็ได้ทอดปีหน้าก็ได้เป็นเจ้าภาพนะไม่ต้องเข้าคิวคอยเป็น1ิบเป็นร้อยปีอย่างบางวัดนะปัจจัยที่ได้นะก็เยอะนะ ประเภทเป็นหมื่นนี่ไม่มีแล้วนะเป็นแสนหรือไม่ก็บางทีก็เหยียบล้านนะก็ถือว่ามากนะสำหรับสุกโตแต่ว่าถ้าเทียบกับวัดอื่นหลายวัดนี่ถือว่าน้อยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าสำหรับวัดป่าสุกโตนะก็ถินก็ยังเป็นงานใหญ่ประจำปีอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงนะสิบปีหน้าก็อาจจะยิ่งกว่านีนะ้อย่างไรก็ตามเนี่ย อันนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงภายนอกนะแต่ว่าสาระหรือว่าหน้าที่ของวัดป่าสุกโตก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีคนมาวัดมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามหน้าที่หรือว่าจุดมุ่งหมายของวัดป่าสุกโตยังเหมือนเดิมนั่นคือว่า เป็นบ้านสําหรับผู้ใฝ่ธรรมนะหลวงพ่อคําเขียนน่าก็จะพูดอยู่เสมอกับญาติโยมไม่ว่าเป็นพระหรือหลวงทั้งพระแล้วก็ญาติโยมว่าเนี่ยเวลาใครมากราบท่านเพิ่งมาใหม่ท่านก็บอกเนี่ยมาบ้านเรานะมาบ้านเราเวลาใครจะลาท่านกลับท่านก็บอกว่าอย่าลืมนะนี่เป็นบ้านกลับมาบ้านเรานะนี่เป็นบ้านหลังที่สองของเราหลวงพ่อท่านอยากจะให้ที่นี่เป็นบ้านสําหรับผู้ใฝ่ธรรม เป็นบ้านที่เขาได้รับความสะดวกนะในการปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ภาวนาเต็มที่เสมอเป็นบ้านนะไม่ใช่เกิดความประสงว่าเป็นวัดที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์แล้วก็พิธีรีตรองท่านก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้นะ เพราะความสะดวกมันก็เป็นปัจจัยสําคัญต่อการปฏิบัตินะความสะดวกสบายท่าเรียกว่าสัปปายะนะสัปปายะสัปปายะนี่เป็นภาษาบาลีไทยแล้วก็แปลเป็นคําว่าสบายนะแต่สัปปายะของในภาษาบาลีเนี่ยสบายเพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติแต่ถ้าสบายในภาษาไทยบางทีมันมีความหมายว่าสบายแล้วก็อยู่เฉยไม่ต้องทําอะไรนั่งเล่นนอนเล่นนะ อันนี้ไวยะมันต่างกันพู้ตั้งศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความสบายแล้วก็ที่จริงผู้เจ้าก็สอนเนนะให้รู้จักหาความสบายใส่ตัวในธรรมะที่เรียออายุวัฒนกถาหรืออายุวัฒนธรรมคือธรรมที่ทาให้มีอายุยืนนานก็มีข้อหนึ่งคือว่าให้รู้จักหาความสบายข้อแรกคือให้กินอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่สองให้รู้จักหาความสบาย แต่ข้อที่3ท่านได้บอกว่าให้รู้จักประมาณในความสบายก็คือให้สบายแต่พอดีไม่ใช่ทางสายกลางนะพอดีเนี่ยในพุทธศาสานาเนี่มี2คําใกล้เคียงกันคือทางสายกลางกับความพอดีความพอดีนี่ใช้สําหรับสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2สิ่งที่แตกต่างกันในเชิงปริมาณนะเช่นสูงต่ำํำนะสูงต่ําถ้าสูงพอดีพอดีนี่เรียกว่าถ้าอยู่กลางกางเรียกว่าพอดี สูงกับต่ำนี่เป็นความแตกต่างทางปริมาณถ้าอยู่กลางๆเรื่อพอดีนะดำขาวก็เหมือนกันนะให้อยู่ตรงกลางๆ ก, ก็เรื่อพอดีก็ได้นม้กระทั่งความเพียร น, นะเพียรมากกับเพียร น, น้อยอยู่ตรงกลางๆนี่เรื่อพอดีพรนะพุทจ้าก็แนะนําพระสณะโกริวิษณ์นะให้ทําความเพียรแต่พอดีนะ คือไม่น้อยไปแล้วก็ไม่มากไปแต่ถ้าเป็นความแตกต่างในเชิงคุณภาพเนี่ยอันนี้ต้องใช้ทางสายกลางแล้วที่อยู่ตรงกลางตรงกลางที่เรียกว่าทางสายกลางเช่นอัตตาเกิียวปัญฐานุจโยนนิทรมานตนกับการผัวพันในกามกามสุขาริก า, า, กานิโยนี้มันมันแตกต่างกันในเชิงคุณภาพเลยไม่ใช่แตกต่างเชิงปริมาณท่านจะใช้ว่าทางสายกลางหรือการไม่เผลอและไม่เพ่งนะ เพลกับเพ่งนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะมันไม่ใช่ความแตกต่างทางปริมาณการมีสติรู้ตัวนะให้รู้สึกรู้สึกตัวนี้เรียกว่าเป็นทางสายกลางอันนี้พูดถึงความสบายนะท่านก็หลวงพ่อท่านก็เห็นว่าความสบายนี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลสำหรับคนปฏิบัติแต่ว่าถ้าหากว่าสบายโดยที่ไม่รู้จักประมาณนะมันก็เป็นผลเสีย อันนี้เป็นบ้านสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะนี่เป็นความมุ่งหมายของหลวงพ่อที่ท่านก็ทำมาตลอดนะเป็นบ้านสำหรับผู้ฝ่ายธรรมเพื่อเขาได้พบกับบ้านที่แท้จริงก็คือนะสติก็คือใจที่มีสติเป็นผู้รักษานะถ้ามาบ้านคือมาสุกโตแล้วไม่เจอบ้านที่แท้จริงภายในใจนะมันก็ถือว่าอย่างยังทาหน้าที่ไม่ครบถ้วนนะ น้าที่ของสุโกตคือว่าเป็นบ้านสำหรับผู้ฝ่ายทําเพื่อที่จะช่วยเขาได้พบกับบ้านที่แท้จริงนะก็คือจิตที่มีสติเป็นเครื่องรักษาจิตที่มีความรู้สึกตัวนะเป็นเครื่องอ่าเป็นพื้นฐานในการที่มีจะมีบ้านอย่างนี้ได้นะการที่จะค้นพบบ้านอย่างนี้ได้เนะี่ยหลวงพ่อท่านก็ เน้นเสมอนะ ค, อคือการการดูการเห็นมันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจอย่างที่เราได้ดูคลิปการันวิดีโอการบรรยายของหลวงพ่อเมื่อวานนี้นะท่านแสดงธรรมเมื่อส8 2 8ปดีปปีที่แล้วท่านก็เน้นนะเรื่องการดูนะดูเพื่อจะเห็นนะอะไรเกิดขึ้นกับใจก็ ไม่ต้องไปปฏิเสธมันไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังไม่มีการปฏิเสธมันไม่ใช่ว่าโอ้ยอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีถ้าอย่างนี้ดีฉันเอาเช่นความสงบนะความดีใจนะความปิติฉันเอาถ้าเป็นความฟุ้งซ่านความโกรธความหงุดหงิดไม่เอานะผักสายออกไปนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการ ที่หลวงพ่อท่านเห็นว่าจะทําให้เราได้เห็นสัจธรรมท่านา็พูดอยู่เสมอนะว่าความโกรธมันก็สอนเราได้ความทุกข์มันก็สอนเราได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเรามันสอนเราได้ทั้งนั้นนะหรือแม้แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเช่นถูกด่าว่าเนี่ยมันก็สอนได้นะท่านพูดในตอนตอน้ตนๆเลยนะว่าเนี่ยถึงแม้ถูกเขาด่าว่าก็เห็นสัจธรรมได้นะ เพราะว่าแต่จะเห็นสัตจะทําได้ต้องเป็นผู้ดูนะเพราะถ้าว่าไม่เป็นผู้ดูเนี่ยนะพอถูกข่าด่าว่านี่ก็โกรธพอโกรธแล้วไม่เห็นไม่รู้เท่าทานความโกรธไม่ดูความโกรธนะมันก็ตอบโต้ออไปนะตอบโต้ออไปก็ยิ่งพัวพันอยู่ในการทะเลาะเบาแวงกันถูกเขาด่าว่าแล้วโกรธไม่พอใจเอดูมันนะความโกรธก็สอนเราได้ นะการด่าว่าก็สอนเราได้นะให้เห็นให้เห็นโลกธรรมนะสัจธรรมเบื้องต้นคือโลกธรรมว่าสุขกับทุกข์สารเสริญกับนินทานี่มันเป็นของคู่กันไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากคำสารเสวไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากคำนินทาได้หรือด่าวา่านะมันถ้าเตือนจจเอิบเป็นอย่างนี้เองนะ คนที่ด่าว่าเราก็เป็นอย่างนี้เองบางทีจะเป็นคนใกล้ชิดก็เป็นธรรมดาเพราะว่ารักกับเกลียดชอบกับชังมก็อยู่ใกล้กันมากอาการที่เขาแสดงออกมันสอนทมให้กับเราว่ามันเป็นธรรมดาโลกรวมทั้งอาการที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อเกิดความโกรธขึ้นเกิดความไม่พอใจอมันก็สอนได้สอนให้เรารู้จักวิธีหลุด พ้นจากความโกรธสอนให้เรารู้จักปล่อยวางนะสอนให้เรารู้ทันความโกรธนั้นนะมันสอนเราได้หลายอย่างมากเราต้องสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของความโกรธหรือของอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าเมื่อมันโกรธแล้วนี่มันไม่ใช่ว่าโกรธไปตลอดคืนตลอดวันหรือว่าตลอดกาลนะ เกิดขึ้นก็จริงแล้วมันก็มีวันที่จะดับไปอันถ้าเราดูเราก็จะเห็นความเกิดดับของมันอันนี้ก็สอนธรรมแล้วอันนี้แหละก็เห็นสัจธรรมแล้วก็คือไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยนะที่จริงเพียงแค่เห็นอาการของมันนะว่าเวลาโกรธเนี่ยมันมันทําให้เกิดเวทนาอย่างไรบ้างความทุกข์อารมณ์แต่ละอย่างเนี่ยมัน มันกระทําต่อจิตใจเรามันทำให้เกิดทุกขเวทนาแตกต่างกันไปความกลัวก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาแบบหนึ่งคือรู้สึกร้อนนะความกังวลก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาแบบหนึ่งคือรู้สึกหนักอกหนักใจนะความรู้สึกผิดมันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาแบบหนึ่งรู้สึกรู้สึกเหมือนกับว่าถูกบีบคั้นนะทุกขเวทนาเนี่ยมันมีชื่อเดียวแต่ว่ามันมีอาการแสดงอาการต่างๆหลายแบบ ทั้งเผาทั้งลนทั้งบีบคั้นทั้งปรีดแทงหรือรู้สึกหนักถ้าเราหันมาดูเวทนาในมุมนี้บ้างก็จะดีเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาดูซิว่าเออมันเกิดขึ้นมันก่อให้เกิดทุกขเวทนาแก่ใจเราอย่างไรความกลัวนี่ไม่ใช่ทุกขเวทนานะความกลัวนี่มันเป็น มันเป็นส่วนหนึ่งของสังขารจิตสังขารจะเรียกว่าเจตสิกก็ได้แต่ว่าพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดทุกขเวทนาตามมาในลักษณะอาการต่างๆกันเราก็มาดูว่ามันเกิดทุกขเวทนาทางใจอย่างไรบ้างรู้สึกร้อนเผาแล้วมันเกิดให้เกิดทุกขเวทนาทางกายอย่างไรบ้างหรือว่าก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างไรบ้างอย่างเช่นรู้สึกเครียดหัวใจเต้นเร็วขนลุกหรือว่าขน ตัวกล้ามเนื้อเกร็งอันนี้มันก็เป็นเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้ดูกายดูเวทนานะนอกจากดูจิตแล้วนะดูจิตคือเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเวทนาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมากับจากความโกรธนั้นแล้วก็ดูกายนะว่ากายมันมีอาการอย่างไร ดูกายนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่ารู้ว่ากายเคลื่อนไหวกายทําอะไรเช่นยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมกระพริบตากรีดน้ํำลายอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ถ้าเราถ้าเรารู้กายดูกายเราก็จะเห็นแต่ว่ามันรวมถึงอาการที่เกิดขึ้นหรือความเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์มากระทบด้วยเช่นเมื่อโกรธก็หัวใจเต้นเร็วหายใจถี่สั้น หรือว่าเมื่อมีรู้สึกดีใจใจมันก็ฟูกายมันก็สบายผ่อนคลายนะตอนนี้มันก็เป็นโอกาสนะที่จะทำให้เราได้เห็นนะกายเวทนาจิตแล้วถ้าดูต่อไปก็เห็นธรรมนะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นความโกรธเกิดขึ้นเพราะอะไรตอนที่เราดูจิตเนี่ยเราดูเราก็เห็นว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้น เรารู้ทันแต่ถ้าเราสาวต่อไปมองต่อไปก็จะเห็นว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรอันนั้นหละก็คือเห็นธรรมและ้ะเพราะว่าธรรมเนี่ยนะเขาจะรวมถึงว่าการเห็นธรรมในสถิติประธานข้อที่สี่ก็คือการที่ได้เห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยจากอะไรนะไม่ใช่มันเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่แพทยเพียงแค่เห็นมันดับไปแต่ว่าเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะ นิวรห้ามันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากส่นให ญ, ญเกิดจากสิ่งที่มากระทบมีอารมณ์มากระทบมีคําพูดมากระทบมีรูปมากระทบก็เกิดความไม่พอใจหรือเกิดความอยากเกิดราคะขึ้นมาอันนี้เราก็เห็นอ้อมันอยู่ที่ไอตนะด้วยนะการที่เข้าใจเรือนไอตนะนะว่าเป็นปัจจัยไปสู่อารมณ์เช่นความโกรธเนี่ยก็ถ้านก็ไปเห็นธรรมแล้วนะเพราะไอธรรมานุ ป, ปัสสนาเนี่ยมันมีทั้ง นิวรนาขันท่าแล้วก็ไอตนะเห็นว่ามันมีเหตุจากอะไรก็แสงว่าเริ่มเห็นสมุทัยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งอริยสัจสี่นั้นเพียงแค่อารมณ์ความโกรธอย่างเดียวนี่มันสอนอแล้วเราได้ต้องหลายอย่างนะแล้วมันก็ฝึกอะไรเราได้ต้องหลายอย่างอย่างที่ท่านหลวงพ่อบอกนะว่ามันสอนเราได้ทั้งนั้นแหละแต่ข้อสำคัญคือเราต้องดูนะต้องเห็น ถ้าเราดูเราเห็นอะไรก็ตามสิ่งนั้นจะสอนเราไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลธรรมก็ตามแต่ถ้าเราไม่ดูไม่เห็นมันนะเผลอเข้าไปเป็นมนหรือเข้าไปอยู่กับมันเราก็โดนมันเล่นงานเราก็โดนมันสั่งสอนเลยนะสั่งสอนจนจนหมดสภาพนะหรือว่าัรว์กระหน่านะจนยับเยินจรทนที่มันจะเป็นครูเราก็กลายเป็นศัตรูของเรา เราต้องเปลี่ยนนะอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจของเรารวมทั้งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะกับใจด้วยนะว่ามันมันสามารถจะเป็นครูให้กับเราได้นะไม่ต้องปฏิเสธมันนะเพียงแต่ดูมันเฉยเฉยนะเห็นมันแต่อย่าเข้าไปเป็นหรือปล่อยให้มันเข้ามาคลองจิตครองใจของเราเวลาเรา เวลาเราอยู่บ้านหรือนะมีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าหรือบ้านบ้านจริงๆก็ตามเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะให้คนเกเรนะคนกะเลววลาาหรือว่าคนบ้าหรือว่าคนที่มือเท้าเปื่อนโครนเข้ามาในบ้าน ไม่มีใครอยากจะให้คนเกเลหรือคนเหล่านั้นเข้ามาในบ้านของเราถ้าเราเห็นเขาเข้ า, ขามาเราก็ต้องหาทางไล่ออกไปหรือกันไม่ให้เขาเข้ามาแต่ทำไมบ้านซึ่งเป็นใจบ้านใจของเราเนี่ยเราถึงปล่อยใ ห, ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในบ้านแห่งใจของเราได้นะปล่อยให้ความกลัวเข้ามาปล่อยให้ความ เศร้าโศกเสียใจเข้ามาไปความเกลียดความอิจฉาเข้ามาความท้อแท้เข้ามาไอ้บ้านที่เป็นตึกเป็นอาคารเราไม่ยอมให้คนนะแย่ๆเหล่านี้เข้ามาแต่ทําไมเราปล่อเขาให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาในใจเราได้นะบางทีเชื้อเชิญเข้ามาด้วยซ้ําบางทีถนอมรักษาไว้ด้วยซ้ําเช่นในความโกรธ น, นี่ก็ถนอมรักษาความโกรธเอาไว้ความเกลียดก็ถนอมความเกลียดเอาไว้ ความเศร้าก็ถนอมรักษามันเอาไว้แล้วเรามีพฤติกรรมต่างกันนะระหว่างบ้านที่เป็นอาคารกับบ้านที่เป็นใจนะที่จริงนคนฉลาดเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านอาคารที่เป็นตัวตึกเป็นอาคารเท่านั้นที่ไม่ไม่ยอมให้พวกคนพาลคนเกเรพวกโจรผู้ร้ายเข้ามาบ้านใจก็เหมือนกันนะก็ยอมไม่ปล่อยให้อ่า อารมณ์ที่เป็นตัวได้ร้านี้เข้ามาแต่ทําไมเราปล่อยให้เข้ามาได้ง่ายเหลือเกินอันที่เพราะบ้านแจงเรานี่มันไม่มีสตินะไม่มีสติเป็นผู้รักษานะก็เลยปล่อยให้อะไรต่ออะไรเข้ามาเสร็จแล้วก็มาเผาเผาเรือนของเรานะเผาเรือนใจของเรานะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเราต้องรู้จักรักษาบ้านใจของเราด้วย นะตะจะรู้จักรักษาได้นี่มันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ตระหนักว่าเนี่ยใจเนี่ยคือบ้านที่แท้ของเรานะสถานที่ยังไม่ใช่บ้านที่แท้ของเราแม้จะอยู่วัดอยู่วัดป่าสุโกโตนะมันเป็นแค่สถานที่แต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นที่พึ่งอังกฤษเสมเท่าไหรนะ่ที่พึ่งอังกษเสมเนี่ยคือสิ่งที่ในใจเรา สุขโต้เนี่ยต้องมามีหน้าที่เพื่อช่วยทําให้เราได้เห็นถึงความจริงอันนี้ว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราถ้าปรารถนาความสุขที่แท้ต้องมาหันมาหันมาค้นพบหันมาตระหนักแล้วก็สร้างบ้านในใจของเรานี้ให้มั่นคงแล้วก็มีสติเป็นผู้รักษานอกจากสติแล้วก็ควร ม, มีธรรมข้ออื่นด้วยเช่นขันติความอดทนสมาธิความตั้งมั่น รวมทั้งปัญญารวมทั้งความรู้สึกตัวเอาผู้คนไปแสวงหาความมั่นคงจากภายนอกไปแสวงหาความสุขจากภายนอกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของสุขโตที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปก็คือทําให้ได้มาเห็นถึงบ้านภายในที่แท้จริงแล้วก็มีสิ่งที่จะช่วยปกป้องรักษาบ้านภายในนี้ให้เป็นที่ สร้างความสุขความสงบความเย็นแก่เราอย่างแท้จริงนะเอาความหมายของสถามาสติปฐานคืออันนี้แหละนะสถาบาสติปัฐานบางทีฟังก็เข้าใจยากนะนะเพราะเราอาจจะกลัวได้ซ้ำเพราะคําว่าสถาบันก็อาจจะนึกถึงอาคารถึงอะไรที่มันเป็นทางการแต่ความหมายที่แท้จริงของสถาบันคือว่าถึงที่ช่วยสถาปนา สถาปนาสติให้เกิดขึ้นในใจสถาบันกับสถาปนานี่มันเดียวกันสถาปนาคือทำให้เกิดการสถิตั้งมั่นสถาปนาสติปัฏฐานคือว่าทำให้สติตั้งมั่นในจิตใจของเราทำให้สติเป็นเครื่องช่วยปกป้องรักษาบ้านแห่งสตินะถ้าจะแปลความหมายของสถามาสติปัฏฐานง่ายๆคือบ้านแห่งสติ คือมาที่นี่แล้วเนี่ยสติเราจเจริญงอกงามมาที่นี่แล้วเนี่ยเราสามารถจะสร้างสติเพื่อมาเป็นเครื่องรักษาใจของเราเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาบ้านของเราซึ่งหน้าที่ของสติหลักๆนะโดยพานในเรื่องของการช่วยพน้นทการดูการเห็นการรู้เท่าทันเป็นเสมือนตาในที่ปกป้องไม่ให้อ า, อาคันตุกะ ที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยเข้าไปยึดครองจิตใจอารมณ์ที่เป็นผู้ร้ายนะไม่ให้เข้ามาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ถึงขับไล่สายส่งนะแต่ว่ารู้จักใช้นะรู้จักใช้เขาเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านก็ได้พูดนะจากวีดีโอเมื่อวานเนี่ยพวกที่มาสอนเราได้นะมันสอนเราได้นะ ม, ไดมันทําให้เราเห็นสัจธรรมไดนะ้เห็นสัจธรรมได้ก็โดยการเป็นผู้ดูผู้เห็นนั่นแหละ ถ้าเป็นผู้เป็นเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเห็นใจจะทำได้เพราะมันหลงเข้าไปแล้วมันถูกความความอารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำจนทําให้บางทีเรากลายเป็นผู้ลายเสียเองนะอารมณ์เหล่านี้มันทําให้เราเป็นผู้รายได้เพออารมณ์โกรธเข้ามาครอบงําใจเราก็กลายเป็นผู้ลายด่าว่าหรือแม้กระทั่งทำร้ายทุบตีคนรักนะคนดีๆกลายเป็นผู้ลาย กลายเป็นฆาตรกรได้เพราะปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำเพราะเขาไปไปเป็นมันนะไม่ใช่ดูมันถ้าดูมันเห็นมันนะมันก็จะสอนให้เราเห็นนะเห็นสัจธรรมความจริงนะเหนาการเกิดดับนะของของนามนะของอารมณ์แล้วก็เห็นลักษณะของมันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตน อันนี้คือตายลักษ์ที่เป็นสัจธรรมขั้นสุดยอดที่จําเป็นสำการพ้นทุกข์นะสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้จากทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบนะตรงอีกข้ามเนี่ยบางทีความดีใจเนี่ยเราจะเห็นตายลักษ์จากความดีใจนี่ยากนะนะผู้ที่บระลุธรรมพราะเห็นไตลักษ์จากความดีใจนี้น้อยมากส่วนใหญ่ถ้าเห็นไตลักษ์จากจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากความเจ็บความปวดจากความเศร้าเสียใจ อย่างสันติอัมมาซึ่งเสียสูญเสียคนรักนะที่ฟ้ อ, ฟอนรำให้ตัวเองดู7จ็วันเคืนหรือนางกิสาขโกตมีชื่อเสียงสูญเสียลูกนางปตัจลาที่สูญเสียทั้งทั้งลูกทั้งสามีทั้งพ่อแม่ถ้าเหล่านี้เนีเห็นใ้ลักจากความสูญเสียจากความเศร้าจากความจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะท่านเห็นใ้ลักจากความ ที่จากความดีใจจากความปิติจากความสุขวันนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอทุกข์เราเจออารมณ์นะความเศร้าเสียใจรวมทั้งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องต้อนรับแล้วเราก็ดูแล้วก็จะเห็นรัะสัจธรรมก็ปรากดขึ้นบังเกิดขึ้นกับเราอันนั้นแหละก็จะเป็นทนทางสู่ความพ้นทุกข์ช้านี้ก็พิ่งจะทอนยีนนะกราบพร้อมกัน